นะคือพระองค์เนี่ยรอบรู้ในสัจธรรมทุกชนิดรอบรู้ในความจริงทุกอย่างเนี่ยนะเมื่อพระองค์รอบรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพึ่งใครอีกเนี่ยนะบอกว่าในบรรดาอย่า ง, าง <c oughs> เราทํางานทํามาหาเลี้ยงชีพภ า, ภายนอกทั้งโลกเนี่ยนะเราพึ่งเจ้านายเป็นต้นก็เนื่องว่าเจ้านายสามารถให้ ให้อะไรให้ความเจริญให้ความเสื่อมในเรื่องพวกท้ัพย์เป็นต้นแก่เราได้หรือเราทําอะไรก็ตามที่เราต้องพึ่งคนใดคนหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเนี่ยให้อะไรให้ประโยชน์ให้คุณให้โทษแก่เราได้ฉันใดทีนี้เมื่อเราเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ให้แต่คุณของเราให้แต่ให้แต่คุณต่อเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะทำไมต้องไปนับถืออย่างที่อื่นอีกเล่าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอพึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าความจริงทั้งมวลเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ควงมหาโพคือตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยนะสัปดาห์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็อยู่บริเวณควงมหาโพทั้งนั้นะ่ะเมื่อพระองค์ถือเอาชื่อหมวดต่างๆตามความเป็นจริงของสัจธรรมทั้งสอย่างเนี่ยน ะ, ะทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ย พระองค์ก็จำแนกทำและธรรมะทั้งหลายก็มาปรากฏให้พระองค์จำแนกเช่นภัสสะมาขึ้นมาบอกพระองค์ก็ถามว่าเธอชื่ออะไรบอกข้าพระองค์ชื่อว่าภาัสสะเพราะมีสภาวะที่ถูกต้องเอเธอชื่ออะไรเวทนาเพราะธรรมชาติสวยอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรสัญญาจำหมายอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรสังขารปรุงแต่งอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรวิญญาณ รับรู้รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยพระองค์มาจัดมาแบ่งมาแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพระองค์จำแนกเป็นหมวดหนึ่งหมวด2หมวด3มหมวด4หมวดหหมวด6หมวด7หมวด8หมวด9้าหมวด10หมวด11หมวด12หมวดต่างๆในยะต่างๆแง่มุมต่างๆเนี่ยนะโดยในยะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ แล้วก็จําแนกเป็นอะไรเป็นพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมเนี่ยนะพระอภิธรรมทั้งหลายก็ยังจําแนกเป็นติกะมาติกาทุกะมาติกาแล้วก็ติกะทุกะมาติกาเหล่านี้ก็ยังมาจําแนกเป็นวิพังทั้งหลายเนี่ยนะอะไรสงเคราะห์กันได้อะไรสงเคราะห์ไม่ได้ก็เป็นธาตุกถาเป็นต้นแล้วก็บุคคลเหล่าใดที่บริบูรณ์ด้วยธรรมเหล่าใดเขาเหล่านั้นมีชื่ออะไรแล้วก็บัญญัติโดยในยะต่างๆพระองค์ก็สามารถจําแนกสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น ข่าพระองค์ทั้งหลายมีพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะพราะุพระองค์จะแนะนําอย่างไรก็แนะนําอย่างนั้นบางพวกก็บอกว่โอ้ผู้ที่ศึกษาคําสอนนี่ต้องขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าก็ไปดูพวกทหารเนี่ยก็ใช้คําว่าตลอดเลยสละชีพเพื่อชาติสละชีพเพื่อชาติขอตายขอตายเนี่ยนะก็คือคําพูดประเภทแบบนี้เกิดกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะ แมกระทั่งผู้หญิงก็ตามที่เป็นทหารผู้ชายก็ตามที่เป็นทหารเขาก็เสียสละกันในลักษณะนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นประโยชน์ทีนี้ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นจริงเป็นจังทุ่มเททั้งหมดก็เพราะว่าพระองค์พาข้ามพ้นจากชาติชราและมรณะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำให้พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้แนะแนะนำให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์ ทั้งที่เป็นมนุษสมบัติสวรรค์สมบัติตแล้วก็นิพพานสมบัติประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นผลประโยชน์ทั้งปวงที่เกิดจากการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำไมจึงจะไม่มอบไว้ความไว้วางใจให้แก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งที่พระองค์รมพูดคิดทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดขอให้แจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเถิดอธิบายว่าขอให้เนื้อความแห่งภาสิตทั้งหมดนี้จงปรากฏแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดขอให้พระองค์นั่นแหละปโปรดแสดงปโปรดประทานธรรมะให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยนะะองค์ก็เลยแสดงธรรมการสมาทานการยึดถือเอาธรรมะเนี่ยนะการยึดถือเอาเรียกว่าสมาทาน ธรรมะสมาทานก็การยึดถือเอาธรรมเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นขอให้พวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีๆเราตะทาโคจะกล่าวให้ฟังอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยนะปุถุชนในโลกนี้เนี่ยนะผู้ที่อสุตวา ไม่มีสุตมยะปัญญาเลยเนี่ยนะนคำว่าไม่มีการศึกษาตรงนี้ว่าอัสุตวาแปลว่าไม่มีสุตมยะปัญญาอะไรเลยคอคําว่าอัศวตวาเนี่ยนะถ้ากล่าวตามแนวปฏิสัมพินธ์มะก็คือไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำอะไรเลยว่าอะไรควรกำหนดรู้อะไรควร รู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความดำรงอยู่ทำให้เจริญวิเศษขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้จังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงทุกเป็นยังไงสมุทยนิโรธมรรคแต่และอย่างเป็นอย่างไรไม่รู้เรื่องซากอย่างเลยเพราไม่มีสุตตะมรยปัญญาเลยพุทุชนพวกไม่มีสุตะอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นพระอริยะด้วยไม่ได้เห็นอริยธรรม มันเขาจึงเมื่อไม่เห็นผ้าระยะผ้าริยะไม่ได้บอกเขาเลยไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระเรียกเจ้าไม่รู้ว่าวิธีการเจริญอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะการเจริญโพธิปักจะธรรมเพื่อบรรลุมรักผลเป็นต้นเป็นอย่างไรและไม่ได้รับการแนะนําการฝึกฝนเห็นไหมไม่ได้รับการแนะนําทั้งนิยสังวรวินัยปะหานวินยันนยอะไรจากคําสอนของพระเรียกเจ้าเลย เขาไม่เคยเห็นสัต บ, บุรุษทั้งหลายเนี่ยนะสัต บ, บุรุษมีพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นต้นเขาเลยไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของสัต บ, บุตรไม่ได้รับคําแนะนําวิธีการปฏิบัติในคุณธรรมของสัต บ, บุรุษเลยสรุว่าเป็นอะไรโง่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะเมื่อไม่รู้เรื่องก็ทําทไงดีคะเนี่ยไอคนโง่นี่อย่าคิดว่ามันจะทําถูกง่ายๆนะยากเนี่ยนะ อย่างคนว่าคนไม่รู้ว่ารถมันคืออะไรแล้วขึ้นไปบนรถแล้วขับรถไปปลอเลยเนี่ยนะไม่เคยรู้เห็นมาเลยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยมันจะเป็นไปได้ัหมเกิดมาอ่านหนังสือสะกดไม่รู้กอไก่ข้อไข่เป็นยังไงอ่านพระตไตรปิดกปลอเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการฝึกการหัดเป็นต้นมาฉันใด ปุตตชนทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่มีความรู้เนี่ยนะไม่มีกรรมสักตาปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาไม่มีสัจจานุโลมไม่กระจัปัญญาไม่มีอ่ะปัญญาที่จะรู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นเขาเหล่านั้นเมื่อไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรเสพก็แปลว่าไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพคือกุศลความฉลาดเนี่ยนะควรเสพ ไม่ร okay. well, ู้จักสิ 97, example, ่งที่ไม่ควรเสพคืออกุศลไม่รู้จักสิ่งที่ควรคบคือกุศลไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคืออกุศลอย่างเช่นอีกในหนึ่งเขบอกว่าไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพคือบัณฑิตทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรเสพคือคนผ่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคือบัณฑิตทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคือคนผ่านทั้งหลายหมายความว่าเราอยู่ในในสงครามเนี่ยอย่างสมมติว่าปัจจุบันเนี่ย อย่างถ้าเราไปอยู่ในถิ่นที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเราใครจะมาฆ่าเราและใครจะให้ ผ, <ทำ S 1> ผลประโยชน์แกเราเป็ใ น, ในต้นถ้าเราแยกไม่ออกเลยอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนก็อย่างทหารไปรบบางประเทศไม่รู้ว่าใครเป็นสงครามอใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครหวังประโยชน์ใครไม่หวังประโยชน์แยกไม่ออกแม้แต่คนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเรารู้ความคิดแบบไหนควรคิด ความคิดแบบไหนไม่ควรคิดความคิดแบบไหนควนครคบความคิดแบบไหนไม่ควครคบสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดอันไหนควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรคบอะไรไม่ควรคบถ้าแยกอย่างนี้ไม่เป็นเลยอะไรจะเก <The> <spotlight. S 2> ิด <laufen> ข <but> what ึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้ว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรคบไม่ควรคบเนี่ยนะเมื่อไม่รู้เชื่อเถอะโดยมากถือเอาสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นก็เสพสิ่งแต่สิ่งที่ไม่ควรเสพ ไอสิ่งที่ควรเสพด้านห่างไปคบแต่สิ่งที่ไม่ควรครบไม่คบสิ่งที่ควรครบเช่นคนบนัณฑิตทั้งหลายเป็นสิ่งที่เขาควรครบหาสมาคมเขาไม่ครบหรอกเขาไปคบคนาพานเพราะเขาไม่รู้เนี่ยคืออย่าลืมอย่าไปยังว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็แนะนำเขาแนะนำเนี่ยบัณฑิตเขาก็แนะนําตามความเป็นจริงแต่คนพานทั้งหลายจะไม่ชอบคําแนะนําของบัณฑิตเนี่ยนะจะไม่ค่อยชอบคําแนะนําเพราะฉะนั้นก็เลือกคบคนที่อย่างที่บอกว่า เพื่อนแท้ของเขาคือใครอย่างลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายเขาจะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเขาไหมบอกไม่เขาคิดว่าเพื่อนที่ตามใจเขาทุกอย่างนั่นแหละคือเพื่อนแท้ของเขาเพราะฉะนั้นเขาแยกไม่เป็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากกับเขาอะไรไม่เป็นอุปการะของเขาอาหารหรือแม้กระทั่งว่าอย่างเข้าไปในร้านเนี่ยนะร้านขายยาสมมติามีทั้งยาย า, ยาพิษมีด้ว ย, ม, วยมีทั้งยาไม่มีพิษด้วยเป็นต้นอะไร แยกไม่เป็นเลยถามว่าจะซื้ออะไรดีอ่านฉลากยาไม่เป็นเลยเนี่ยนะจะไปซื้อยาอะไรดีเนี่ยถ้าเราแยกแยะอะไรไม่เป็นก็เหมือนกันแยกคนแยกคนที่ครบถ้าแยกไม่เป็นแม้กระทั่งว่า ก, กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดถ้าเราแยกไม่เป็นเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเลยเนี่ยเราก็จะเลือกครบแต่สิ่งที่ไม่ควรครบไม่ครบสิ่งที่ควรครบเนี่ยนะเพราะฉะนั้น แทนที่จะเลือกเจริญกุศลก็เลือกถือที่เจริญอกุศลสมมุติถ้าอยู่ในฐานะที่เราฆ่าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความผิดเราจะเลือกฆ่าหรือเลือกเว้นจากการฆ่าเนี่ยนะอย่างหรืออย่างอทินนาธานเนี่ยของบางอย่างถ้าเราขโมยเนี่ยเจ้าของเขาไม่รู้แน่นอนเลือกจะเว้นหรือเลือกจะโกงเนี่ยนะก็ดู แล้วการเมสุมิชาจานเนี่ยแล้วถ้าล่วงแล้วไม่มีไม่มีใครมาเอาผิดกับเราได้เป็นต้นเราเลือกจะล่วงการเมหรือจะเว้นจากการเมเราเลือกที่จะพูดเท็หรือว่าเลือกที่จะพูดความจริงเราพูดเพื่อเลือกที่จะพูดให้เขามีความเมตตาต่อการมีความสมัครสมาสามคัคคีกันหรือว่าพูดเพื่อการยุแยกเราสมมติว่าควรจะพูดดีๆกับเขาหรือว่าเราควรจะพูดคำที่มันหยาบ ควรจะพูดคาที่มีประโยชน์กับเขาหรือว่าพวนพูดที่คําที่ไม่มีประโยชน์หรือบางเรื่องเลือกที่จะกโกรธหรือเรื่องที่จะเจริญเมตตา น, นะเราบอกเมตตาเนี่ยดีแต่ว่าพฤติกรรมเราเจริญความโกรธเนี่ยนะนนะมันก็เลยมันก็เอา้ามันก็เป็นอย่างนี้มน เ, นนเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าแล้วปรารถนาแต่อะไร ปราถนาว่าแม้ไอความสิ่งที่เราไม่น่าปราถนานะให้มันลดลดลงไปเถอะให้มันหมดไปเถอะไอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาก็ให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นใจจริงเนี่ยต้องการอย่างนี้แต่ตัวเองทําทำแค่อะไรพฤติกรรมกลับข้างไปหมดปรารถนาให้ความเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมลงให้มันหมดไปปรารถนาให้ความเจริญเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยอยากให้เติบโตยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ตัวเองไม่ต้องการอยากให้มันหมดไป แต่พฤติกรรมมันตรงข้ามเขาไม่วัดกันที่ความปรารถนาะเขาวัดกันที่จิตพฤติกรรมเขาวัดกันที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราเจตนาดีอย่างเดียวก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะเครียกว่าแค่ต้องการความสุขจะได้ความสุขอย่างที่ต้องการไหมความสุขคุณจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่วิธีการของคุณจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการอยู่ที่วิธีการเนี่ยนะ สมมติถ้าเราปรารถนาแม้เราต้องการกำไรเราไม่ต้องการขาดทุนแต่วิธีการของเราบริหารเพื่อความล่มจมเนี่ยนะยังไงมันก็ล่มจมมันไม่รวยขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรมันวัดกันที่วิธีการเราปรารถนาเจริญก้าวหน้าในการงานแต่ไม่เคยสนใจการงานดื่มเหล้าเมายาทำงานทิ้งทิ้งคว้างๆเป็นต้นเขาจะยกให้เราเป็นเจ้าของกิจการไหมเห็นไห เขาก็ไม่ยกคือเรียกว่าอย่าว่าจะของกิจการเลยเนี่ยนะเขาจะให้อยู่ตรงนั้นต่อไปหรือเปล่าแค่นั้นนะว่างั้นเน่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพฤติกรรมมันฟ้องหมดเลยว่าเขาเนี่ยจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมในทางธรรมะก็แสดงในลักษณะว่าความเจริญความเสื่อมไม่ใช่อยู่ที่ความปรารถนาอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะอยู่ที่พฤติกรรมถ้าพฤติกรรมทําเพื่อความเสื่อมยังไงมันก็เสื่อมถ้าพฤติกรรมทําเพื่อความเจริญยังไงมันก็ เจริญอย่างที่ในเดี๋ยวสูตรข้างหน้าต่อๆไปจะมีถ้าคุณปฏิบัติถูกไม่ปรารถนามรรคผลคุณก็บรรลุมรรคผลถ้าปฏิบัติผิดต่อให้ปรารถนาวันเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็ไม่บรรลุมรรคผลเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเนี่ยเหมือนว่าไปรีดไหมอยากได้นมโคมากเนี่ยนะจะรีดวันนี้ขอนมโคสักลิตรหนึ่งไปดื่มไปรีดที่เขาโคอย่างเงี้ยอ่ะนะถามว่าคุณจะได้นมโคบ้างไหมอย่างเงี้ยนะ ไปรีดเขาโคมันก็ไม่ได้นมโคอยแล้วหรือไม่แบบไม่อยากได้น้ํามันงาเหลือเกินเนี่ยนะเอาทรายมามาวิธีการเนี่ยเอาเอาทรายมารีดเป็นน้ํามันงามันจะได้น้ํามันงาไหมมันก็ไม่ได้น้ํามันงาอยู่แล้วมันผิดประเภทอ่ะเทียวกว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องบางคนก็บอกว่าเขาต้องการแต่สิ่งที่น่าปรารถนาต้องการแต่ความเจริญแต่สิ่งที่เขาทําประจําวันมันไม่ได้เจริญขึ้นเลยเนี่ยนะอย่างก็บอกว่าอ่าอย่างอะไร ปรารถนาความเจริญแต่ว่าปรารถนาแบบอะไรรวยทางลัดเป็นต้นนั้นมันจะไปได้อย่างไงมันได้จริงหรือเปล่าอย่างเขาบอกว่าอะไรนะเขามีทางฝรัง่งเขาเลสล็อตแมชชีนเนี่ยเขไว้กดเล่นแบบหยอดเหรียญเล่นงานพนันเนี่ยนะปรารถนาความร่ํารวยก็เลยไปหยอดมันไม่ทําอะไรไปหยอดแต่เหรียญหยอดห ย, ยอดยอดเผื่อจะรวยขึ้นเขาบอกว่าไอ้เปอร์เซ็นที่มันถูกเนี่ยห้าร้อยสิบสอคูณหสิบสอแล้วก็คูณห้สิบสอเนี่ยนะตัวเลขมันเท่าไหร่นั่นแหละหนึ่งในนั้นเปอร์เซ็นทีคุณถูกมีเท่านั้น เพราะฉะนั้นแต่ไอตัวเลขอาจจะล่อตาล่อใจอาจหมายเขากดกันทั้งสิบ20ี่สปีมีรวยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้ที่แจ้งไปเนี่ยหมดเท่าไหร่อันนะบอกว่าธุรกิจตรงนั้นเนี่ยสูบเงินเข้าปีงหลายหมื่นล้านดอลลาร์เป็นต้นแล้วไอ้ที่อันนี้น่ยคนไปบริจาคให้เนี่ยนะปีงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไอ้ที่ไปชนะเนี่ยได้ถึงร้อยดอลลาร์ไหมล่ะไม่ได้หรอกไอ้ได้ถึงแบบอะไรนะสัก สักร้อยล้านดอลลาร์มันก็ไม่ได้แล้ว ป, ปีปีหนึ่งเนี่ยหมดพลานไปเท่านั้นเท่าไรไปหมดอ่ะ น, นะเพราะมันทําอะไรผิดวิธีการกว่งั้นบางทีเนี่ยอะไรก็ตามถ้าทำมันทําผิดผิดแล้วมันยังไงถึงจะปรารถนายังไงมันก็ไม่เจริญเนี่ยนะปรารถนาร่ํารวยแต่ว่านั ก, นกเลงผู้หญิงนักเลงการประนันเป็นขี้เหล้าเมายาเป็นต้นปรารถนาแต่ความสุขความเจริญมันตรงกันข้ามปรารถนาสุขภาพดีเนี่ยนะกินแต่อาหารประเภทผิด เต็มต้นเนี่ยถามว่ามันจะดีได้อย่างไรฉันใดก็ดีนี่ยนะปรารถนาแต่ความเจริญปรารถนาแต่สวรรค์นิพพานแต่สิ่งที่ทํามันตรงกันข้ามมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าปรารถนาไม่เจริญเพราะอะไรตรงนี้สูตรนี้ก็บอกง่ายๆว่าคุณทําผิดวิธีเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรสมควรและไม่สมควรแล้วก็ทําผิดวิธีอันดับแรกก็คือความไม่รู้ก่อนสองไม่รู้ว่ามันคืออะไรสองวิธีทําทําผิด เนี่ยนะผิดตั้งแต่ไม่รู้แล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนี่ยอย่างอย่างวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราเถ้าเราไม่รู้เลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เนี่ยปัจจุบันเราทำแบบนี้ผลต่อต่อไปเนี่ยมันคืออะไร นะถ้าไม่รู้แบบนี้แล้วมีตัวอย่างเขาคนอื่นที่เ็าทำแบบนี้ปัจจุบันเ็าทำอย่างนี้อนาคตต่อต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็อาศัยเหตุการณ์ที่มีอยู่ในอดีตมาสอนเนะมาบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็ซ้ำแล้วก็อนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะวัฏฏะทั้งหลายมันก็ซ้ำๆอยู่นี่แหละเนี่ยนะพบสามกำเนิด4ี่คติ หวิญญาณที่ฐิเจ็ดสัตตาวาสเก้าสังสรารวาสมันก็ซ้ำซ้ำกันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันหนทางไปสู่อาบายทุคติวินิบาตบางคนก็บอกว่าเขากลวกัวสมมติว่าทุกคนอยากสวยใช่ไหมชาติหนะ้าอยากเกิดมาหน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะกขยังหน้ารังเกียจไหมไม่มีใครต้องการอยากจะ ง, งามกันหมดนั่นแหละอยากแค่ว่าอยากแบบเห็นข้างเดียวก็เหลียวหลังดูกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะสำเนา ว, ว่าอยากจะหันหลังไปมองอีกด้วยทำไงอยากให้คนเนี่ยอยากตัวเองเนี่ยอยากเป็นคนประเภทนั้น แต่ถามว่าเลือกเจริญเมตตาหรือเลือกจะโกรธเอาเลือกโกรธนะนะอย่างสมมติว่าแม้ทุกคนปรารถนาบักหมายชาติหน้าขอให้มั่งขอให้มีขอให้มีฐานะอย่าอดอยากอยา่ายากจนเป็นต้นเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือเลือกที่จะขอความช่วยเหลือหรือเลือกที่จะตรนีหวงแหนโดยมากเลือกขอความช่วยเหลือกับเลือกถ้ามีเรามีก็เลือกตรี เลือกที่จะตรณนีแล้วก็เลือกที่จะขอความช่วยเหลือแต่ไม่น้อมไปเพื่อการให้นี่นะ้อมไปเพื่อการให้บางครั้วบางทีเนี่ยนะไปให้ในสิ่งที่เรียกว่าอะไรให้ทานการให้ทานก็เหมือนกับทำนานะนะั่นแหละแทนที่จะเลือกทำนาดีก็ไปทำนาเร็วๆเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้่งทผิดนา แม้อยากได้ข้าไปหวานบนถนนลาดยางนี้นะมันก็เรียกว่าแทบจะผิดประเภทอยู่แล้วอยากให้ทานแต่ว่าส่สงเสริมอะไรส่งเสริมให้ทุนในการไปทําปาณาติบาตเนี่ยนะมอบทุนเพื่อให้ไปทําปาณาติบาตมอบทุนให้คนไปทํำอาธินนาทานมอบทุนให้คนไปทาําตาเมหรือมอบทุนนะแบบโอยอยากให้ทานมากงานนี้ฉันเลี้ยงเหล้าฟรีตลอดงานเนี่ยนะหมดไปหลายหมืน่นหลายแสนเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าแถวแถวบ้านเนี่ยโอ้ยบ้านนอำมานนี่แหละ ก็ทำบุญให้ปู่ให้ยา่าอุ้ยทาบุญปีนึ่งนะเขาบอกว่าทําบุญงานศพศพปู่ศพย่าเนี่ยหมดไปศพแล้วเป็นแสนเขาบอกว่าไอ้ในจํานวนนั้นเนี่ยนะปริมาณเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นแสนเนี่ยนะแบ่งค่าเล่าไว้สักสามสี่หมื่นเะนี่ยนะนนให้ค่าสุราสักสามสี่หมื่นแล้วก็แบ่งเป็นค่าค่าอะไรค่าสัตว์ไปทําปาณาติบาตอีกหลายหมืน่นนนะก็สรุปว่าไอ้ที่ที่มันเป็นค่าแบบทําบุญให้ทานเลยเนี่ย อาจจะไม่ถึงหมื่นและอาจจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยให้ผิดประเภทด้วยให้ของที่ไม่สมควรต่อสมณบริโภคเป็นต้นมันก็เลยถามว่าแล้วมันจะได้บุญหรือมันได้อะไรดีเนี่ยนะนะอาจจะบอกว่าได้ทําแล้วได้ทําอะไรอย่างที่ตัวเองคิดจะทําแล้วบางทีมันไม่ไดแบบผิดประเภทหมดเนี่ยนะมันทำผิดประเภทหมดแล้วทุกคนปรารถนาความเจริญบอกแหมถ้ามันเจริญเข้ามาจะอจัศจรรย์ใจมากเลยเนี่ยนะนะถามว่าทำไมเพราะวิธีการไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญอะไรเลย เนี่ยนะบอกว่าโอ้ยเนี่ยบุญยังรักษาได้ถึงขนาดนี้ก็ดีใจเธอเนี่ยนะมันไม่ตกต่ำกว่า น, นี้เพราะบาป ท, ที่ทำเนี่ยมันสาหัสเหลือเกินบางทีเนี่ยนะคือคือหลายคนแล้วไม่ใช่คนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะบางงานบ ก, ก็ไม่ต้องมาชวนหนองอไปไปด้วยหรอกนะนะกลัวจริงเลยเนี่ยนะยินแล้วก็ขนลุกเลยแหละ